ทำกันต่างแล้วนำไปปฏิบัติไปกระทำให้เกิดขึ้นการจะเป็นอย่างไรเกิดจากการกระทำหรืออย่างเดียวคือการกระทำเราก็มีความรู้แล้วรู้ดีรู้ชั่วตู้ผิดรู้ถูกแต่ความรู้นั้นแต่ไม่เกิดประโยชน์เจอเรา ของเมื่อใดเรายังไม่ทำให้เกิดขึ้นเช่นพระสูตรที่เราสวดเป็นทางนักประกอบร่องแปดประการทางไม่ใช่มีเฉยๆเอาไว้ให้เดินมีทางสำรุณทางเอาไว้ให้เดินให้ถึงจุดหมายแปดทาง ทางชีวิตของเราก็ต้องเดินลงไปทําลงไปเดินทางสายนี้ก็เป็นศิ้นเป็นสมาธิเป็นปัญญาถึงจุดหมายปลายทางคือศิ้นสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาเป็นเครื่องกำจัดชิเลต่ง า, งางหยากดางกรางอย่างละเอียดอยู่ในชีวิตของเรานี้ การเดินคือขนส่งขนส่งออกไปเรีว่ามันหลงขนส่งไอ้พ้นเจ้าความหลงมันทุกข์ขนส่งไอ้พ้นเจ้าความทุกข์อะไรที่มันเกิดแต่ไมเป็นไปนเพืเ่ความทุกข์เป็นไปนเพืเ่ความมากมายสะสมกิเลสโคดเล้วโคดอีก เการสะสมกิเลสหลงแล้วหลงอีกเป็นการสะสมกิเลสโกรธบ่อยๆก็หลง บ, บ่อยๆก็เป็นนิสัยหลง บ, บ่อยๆก็เป็นนิสัยในความหลงความโกรธความโลภมันเป็นกิเลสเป็นอกุศลเป็นรากเก้าของอกุศลการขนจง เปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนโกรธเป็นรูปเปลี่ยนโลภเป็นรูปเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปเป็นการถอนลากเง่าของอกุศลเมื่อถอนลากเง้าเมื่อไม่หลงเมื่อไม่โตดเมื่อไม่ทุกข์ก็เป็นกุศลกุศลก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆหลาดขึ้นเรื่อยๆไปถึง สมาธิไปถึงสติไปถึงสมาธิไม่มีอะไรไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่สติเนีวเหลืออยู่ตานถึงจุดหมายปลายทางที่นั่นเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเป็นหมายปลาทางคือมรรคผลนิพพานถึงสติสมาธิ เริ่มต้นจากปัญญาปัญญาแล้วก็สมาธิแล้วก็ศีลแต่ถ้าเรามาเรียนก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าภาคปฏิบัติถึงเป็นปัญญาก่อนแล้วค่อยมีสมาธิแล้วค่อยมีศีลเป็นศีลจิกขาไม่ใช่ศีลสังคมไม่ใช่ศีลสมมุติ ฉ็นสมมุตินี่เป็นฉินเป็นลว่ล้องไว้สำหรับคนเก้ยากงา น, นลู่ล่อมบ้านสำหรับคนที่เก้ยากคนโลกในลู่ก็พอที่จะขวงกันได้บ้างแต่ถ้าจริงๆก็ขวงไม่ได้สมาธินี่มันก็เป็นความปลอดภัย บ้านมันต้องปิดประตูถ้าถึงสมาธิถ้าถึงปัญญามันก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วชีวิตของเราเน่เอาจนให้มันหมดปัญหาไม่มีอะไรทําที่สุดแห่งทุกขที่สุดแห่งปัญหาทั้งหลายที่ว่าแผ่นดินสุดไปไหนไม่ได้อีก เหมือนพระพทธเจ้าตัดตออจากพระโอษขององค์ในวันตัดสู้พราชาติสึ้นแล้วความมั่น c h อยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วมันไม่อะไรทำมันก็จบมันจบเป็นเมื่อมันถึงจุดหมายปลายทางก็แสดงถึงว่าวันถึงไม่ต้องถามใคร ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเราลู้สึกตัวเหมือนเจอความหลงลู้สึกตัวความหลงมปเป็นไงความลู้สึกตัวเป็นไงไม่มีคำถามก็ผ่านไปผลฉงผ่านไปแต่ว่าการดวนสายดวนที่สุดคือสติโดยเพราะกรรมฐานเป็นสายดวนวสสมมาทิท่ิ ไม่จะเป็นปัญญาแต่มันก็ต้องเดินเหยียบเส้นทางให้ถูกมีสติเป็นสายด่วนตรงกันข้ามความหลงทำให้เนิ่นช้าความรู้ทำให้ผ่านไปความทุกข์ทำให้เนิ่นช้าความรู้ทำให้ผ่านไปทุกคนก็ต้องผ่านตรงนี้ใส่ใจตรงนี้บ้าง ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ไปถึงไหนยังเวียนว่าแต่เกิดอยู่มีค่าอะไรผ่านตรงนี้แหละเก้าแรกอะไรที่มันต้องผ่านเยอะแยะเวลาเราเดินทางก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นเช่นมีสติวิชากรรมฐานเกิดขึ้นก็จะมีสิ่งที่ขวางขั้น พวกมุกหอหอนอนกำลังเลสงสัยความชิดพงช้านประหยักำมะละคะปฏิคา้าทิธททักหลายที่มันเคยชินมันก็จะโชว์เหมือนกันเราเดินทางมาต้องโชว์ความเหน็ดื่อยไว่ละไม่มีใครไม่เหน็ดไม่เดือยปวดขาปวดแช่งปวดขา แต่อราก็ร้อนร้อนทั้งบนร้อนข้างล่างแผ่นดินก็ร้อนข้างบนก็ร้อนแสงแดดข้างล่างก็ร้อนแผ่นดินวันเท้าเหนื่อยก็หนื่อยปวดก็ปวดนั่นหมายเป็นอุปสรรคในการเดินทางมันต้องเจอถึงเหล่านั้นแน่นอนการเดินทางการมีสติก็จ้องเตยความหลง เจออะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าอะไรมันเกิดขึ้ น, นรู้นันเรียกว่าผ่านไปแล้วเป็นก้าวเป็นก้าวเป็นก้าวไปผ่านหลงก็ไปจากความหลงผ่านอะไรก็ไปจากตัวนั่นไปถ้าหลงเป็นหลงบางทีเวลาเราปอลบุกความเพียรเรานั่งปวดขาปวดแขน เอาการปวดพ่ายหยุดมันก็ไม่ไปอีกแล้วหยุดแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางครูบาอาจารย์ของเราตั้งแต่บระพุลุดั้นก็นั่งแั้วก็เดินใครก็ปวดไม่เห็นขาท่านขาดไม่เห็นเอวท่านขาดไปไหนยังมีชีวิตอยู่แปดสิบเก้าสิบปี พวกเราเนี่ยยังหนุ่มยังสู้ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยสู้เสือทุกท่าตอนนี้กำลังจะได้บรรลุธทรมทำอะไรก็สำเร็จได้เป็นงานเป็นการเป็นนวัตกรรมอะไรต่างๆสำเร็จจุดปียี่สิบปีนี่ยังไม่ชัดเจน แต่สามสิบปีไปเนี่ยแน่นอนหระี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีก็ยังเก่งเอาช่นนี้เรนการศึกษาชีวของเราก็าจะสร้างอะไรก็สำเร็จสร้างมากผลก็สำเร็จพระอาหารทั้งหลายอยู่ในอายุปูนนี้ตั้ด้านแต่ถ้าปูนนี้ เป็นกระแสไว้เมื่อปูณสัญญาสีสืบสานไปช่วงอาสมสัญญาสีตั้งแต่เจดสิบแปดสิบเก้าสิบปีน่ะมันก็จินมอดกเดิมจากมีมาแต่ก่อนถ้าไม่มีมอดกในการทำไหว้ก็น่าสงสารมากเคยไปนั่งสอนคนแก่ สามปบางทีบอกให้ยกมือสร้างจังวะทำไม่เป็นเลยยกมือไปแป๊บๆปบไปเดี๋ยวก็กลัวใจกระต้ามากพูดเรื่องอะไรต่างๆไปเอาไม่ได้มันเคยชินพูดดังลูกรงหลานเรื่องการก่อสร้างเรื่องการทำบุญทำบุญมากสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างพระพธรลูกใหญ่ที่สุด เมื่อมาสอนกรรมฐานไปหา น, นั่นเราไม่ได้ถามเล่าออให้ฟังไปเลยสร้างพระประธานใหญ่ที่สุดเ อ, อทองสร้างรวยทองหมดไปแล้วเป็นสิบล้านยังไม่เสร็จเดี๋ยวขออีกล้านว่าจะให้เสร็จก็ไม่เสร็จขออีกล้านก็ไม่เสร็จว่าจะให้เสร็ จ, ออ ก, ร จ, รจก็เลยเกิดเป็นทุกข์เป็นปัญหากับพระ ให้ไปที่ระล้านละล้านไม่เสียจทักทีสิบกว่าล้านแล้วมานเสด็บ่นอยู่เป็นการบ่นให้เราฟังเราไปสอนแทนที่จะเชื่อเราก็เลยไม่รู้เรื่องนี้เลยมืดไปเลยบวดไปเลยชอบว่ามีอาสมตั้งแต่ที่แรกก็ลำบากแต่ถ้ามีอาสม โอมาจารีกรหัตอาสมของชีวิตแต่ว่ามีสี่อาสมโมาจารีหนึ่งปีถึงยี่สิบปีครหัสองสิบปีถึงสี่ิปีวันณปะลัด4ปีถึงหกสิบปีสัน ญ, ญาศี7เจดสิปีถึงแปดสิบเก้าสิบปีน่รกหัส เราต้องตออ่ะสมสิบปียี่สิบปีเนี่ยเอาให้มันบริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์พรมจรรย์คือพรมจันคือบริสุทธิ์ฤาัสคือเมื่อช่วงสามสิบสี่สิบปีเนี่ยอาจจะมีครอบมปครัวต้องสู้กรัวโจอดอยากไม่ลูกเป็นเต้านั่งๆ น, นอ น, น, อนไม่ได้ ถายูช่นี้จะมานอนจะมานั่งดูทีวีไม่ได้แล้วมีลูกก็ต้องหวังลูกรักสารท่าก็ต้องหวงังเช่นพ่อแม่เราลูกลองไห้เฉยทำนาอยู่กลางแดดเกี่ยวข้าวอยู่กลางแดดเอาลูกไปเข็นดูไว้กลางแดดบางทีกินข้าวกลางคันนาอยู่ไม่ได้ช่วงนี้่ เมื่ออาสมนี่ผ่านไปสามสิบสี่สิบปีอาจจะมีทรับสมบัติว่างล่างขึ้นมาพอได้อยู่ได้จินวันนับประลัดห้าสิบปีถึงหกสิบปีมารับปลั ด, อ า, นนลดอา จ, จมีลูกเขยลูกสะพ้าย้าเป็นคนดีก็ได้คนดีให้เป็นคนชั่วก็ได้คนชั่ววุ่น ต่อเอาบุญบาปต้องต่อเอาบาปมันก็ต่อไปผู้มีบุญผู้มีความดีก็ได้ความดีอาจจะมีการศึกษาโรงเรียนลูกหลานเก่งขึ้นมาช่วงหลงตาไปเชียงใหม่ไปพักบ้านดายการก็มีลูกชายลูกสาวเรียนเก่งแตเราเอาฉันเข้าเอาขิมมาตีให้ฟัง น้องสาวเป็นคนพออ่อนลอมใส่ขีมลูกชายคนหนังลูกสาวคนหนังไม่เคยเห็นเด็กที่จะต้องเก่งแบ น, นั้นเพราะอะไรเพราะพ่อเขาเป็นเอการแม่เขาเป็นครูต่างคนต่างมีความดีเป็นอาสมตั้งแต่รมาจารีครหัตวันนบปลดล้วก็ถ่อไปถึงอาสมสุดท้าย จนมีเงินมีทองไม่ลำบากเรียกว่าสัญญาสีบุคคลย่าโจมที่มาอยู่วัดเดหรือว่าสัญญาสีได้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมีผลงานแล้วไม่ต้องห่วงใครเพราะนั้นเราต้องต่อกันว่าวันนี้ต่อให้เกิดวันพรุ่งนี้ ไม่ใช่ไปดีวันพรุ่งนี้แต่มันจะดีวันพรุ่งนี้ก็ต้องไหวเดี๋ยวนี้ถ้ามันหลงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้พรุ่งนี้ก็ต้องหลงถ้าเราทุกวันนี้ไม่เปลี่ยนความทุกเป็นความรู้พรุ่งนี้ต้องทุกเพราะไม่ขนส่งมีทางแต่ไม่ขนส่งไปนิดหน่อยก็หยุดไม่ถึงไหนไม่ผ่านความหลงสักที กายก็ไม่ผ่านเวทนาก็ไม่ผ่านจิตก็ไม่ผ่านทำก็ไม่ผ่านโต้ไว้แจ้ไม่หลุดไปทีงไหนแล้วก็ยังหลงกันเก่าความหลงกันเก่าหลงแล้วหลงอีกบางทีล่อยข้างฝันผลเฉยได้เอาจริงๆเราโลนึให้ต่อหน้าต่อตา เนี่ยมันก็มีหลักอยู่เนี่ยรูอยู่เนี่ยพราะวหลงก็บรูอยู่เนี่ยฐานไมาอยู่ตรงนี้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ชื่นใจมากเรามีหลักฐานองอาจนั่งวางกายวางใจกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันกับอยู่บ้านบ้านพ่อ ถ้าเราพัดหนีไปจากนี่เมันคนไกลบ้านเราอยู่บ้านพอ่อรู้สึกตัวเนี่ยไปกลัวอะไรพรเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้านี้แล้วไม่ใช่อยู่ที่ไหนแต่เรามีสติก็พระเจ้าก็อยู่เฉพาะนี่พระเจ้าก็ทำทางนี้การคู่แฉนการเหยี็ดแฉโน การกู่แข็งเข้านี่พ่อเจ้าอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยไปกว่าอะไรช่วงอายุสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยมันก็เข้มแข็งมากคิดว่างูจะไม่กัดเสือก็จะไม่กัดช่างก็จะไม่ทำลายอะไรก็จะไม่ทำลายมันเข้มแข็งขนาดนั้นเอจาก สลาไก่ขึ้นไปกะดีสิบสามไม่สายไฟเลยกลางคื น, นเดินไปเลยเดินลงเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นงูจะไม่เกิด เ, าเราเห็นงูแต่หางงูเลย <c oughs> งูจงอระเลื่อยไปขวางทางยืนดูทีแรกมก็เดินมันก็นมามันก็เห็นเราก็ชูคอขึ้น เราก็เยือนดูมันก็มุดไปก็เดินด้วยมันก็ไปเข้าป่าไปต่างแคบ ๆ, ๆเราก็เดินไปเตะหางูไปเลยงูก็เฉยเลยเข้าป่าไปเลยมันก็ชิดแบบนั้นนะเดินขึ้นเขาโอพูดเจ้าหน่อยได้ไหม <laughs> มันสู้เสือทุกท่านะมาจากกรุงเทพ นายเถียงเจงก็อหกโมงแล้วนิดว่าจะเดินออกมานอนเถียงหนาบ้านนั่นนะวัดก็ไม่ทำไมไม่คิดไปนอนวัดจะมานอนเถียงหนาชาวบ้านแถวแถบทางนอนไงก็ได้เหมือนหมูเหมือนหมาเคยผึกมาน่ะเวลาเดินจงกรมอยู่พุทธิยนน่ะกลางคืนน่ะ มันง่วงมันถึงเวลานอนแล้วเพื่อนเงียยหมดตะเกียงเราหมดแล้วว่าคุมกนอนบนทางเดินจงกรมก็มหลับนะเหมือนบานตัวหนึง่งไม่ระวังอะไรไม่มีการระวังอะไรเลยพุทธยาณทางเหมือนกับสุกโตทางไม่มีผลเดินขึ้นเขามาพอเดินออกจากแจ้งข้อมา ฝนตกฝนตกไม่มีล่มนะเปียกเอา้าว่าจะนอนก็นอนไม่ได้เราจีบอนเปียกหมดเลยทําไมล่ะเดินแม่มันมีนเราเดินเล่นๆไปแต่ก่อนทางขึ้นเขาทางจากแก้งโคกมาคุ ก, กงไปทางเกวียนนะนาทางรดว่างแต่มันเป็นทางเกวียนไม่มีลูกหลังเท่าไหร่ไมีโคนมีอะไรต่างๆลุยมา บางทีก็ลุยโคลนมันไม่ไหวก็ไตคด่าเจ๊ชาเส๊ขวไม่มีไฟฉายมืดมามาถึงบ้านโคกงุงเน่ยชาวบ้านนอนหมดเดินผ่านหมู่บ้านยองไปกลัวหมาจะไล่กลัวหมาจะกัดหมาไม่โหดสักตัวเลยลเดินถ่านบ้านโคกงุงมาขึ้นเขามาบางทีหลหลงทาง มองข้างล่างมาเห็นต้องมองช่องฟ้าบางทีตามรั่วรั่วถนนตามทางไม่ได้ไมันมีขี้โกนค่อยๆคำไปตามรั่วบปทุกไหมไม่ทุกสนุกฮะพอถึงเตีอนเขาขึ้นเขาทางก็พอหลอมเท่านะทางหนูนะไม่ใช่ทางคนนะบ่าเพ็กเมื่อเดือน เตะไปเตไปขาเตะไปไหนก็ไ ป, ไ ป, ไ ป, ก, ไปกับขามาันเตะไปเตะไปชนก้อนหินก็อหลบไปขึ้นหน้าผาบางทีขึ้นไปแร็วมาเจอหน้าผาตอนเห็นดูกันงคืนไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีทางนะก็ะไปกลับมาขึ้นมาถึงวันสองทุ่มก็กกปองถึงวันนะสองทุ่ม ไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรงูก็จะมากัดเราเสือก็มีนะแต่มันหมีก็มีเฮ้มันสู้เสือทุกท่าโจงนี่นะทั้งอะไรก็ทำเถอะพวกเราสามที่จีจีปีนี่ก็ลังดีอย่าไปห่วงอะไรอะไรอววรเรื่องหนต้องสู้สักหน่อยอาอย่างพระเจ้าอ๋อย่างพระสาวก มีเอาอย่างพระสงฆ์ในเมืองไทยมีครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อเทียนสอนเราให้เรามีสติเหมือนอุ่นใจเมื่ก็ับอยู่กับพ่อตลอดเวลาตายก็ไม่กลัวอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในกระตีสิบ้าลมแรงสมัยก่อน ตัวมันไม่ล่มคึมทำคึมทำไม่ก็จะไม่ล่มทับเรานอนอยู่ในกติไม่คิดผัวอะไรนะจ้างหยอกกันอยู่เนี้ยเอกเอกมันก็ไปใกล้ใกแล้วก็จุดไฟทิ้งลงกติมันก็หนื่แป๊ก็ไม่คิดผัวไม่ก็จะไม่ล่มทับเราฮนะ ก็ดีวันนั่นก็ไปออกไปเทศร อ, องบัวจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วมันเข้าไม่ถึงบ้านเตือนไปแต่มานนั่นพอก็ขอเยอะไปถึงด่านตำรวจก็ฉายไฟ ใ, ใส่จีวอนวงเขาจะไม่เห็นว่าเราคือใครฉายไฟกลางคืนคฉายไฟสองให้เขาเห็นจีวร ผ่านเวลาแ้ว อ, อ้าวมายัางไงเนี่ยอันตรายแล้วเนี่ยสราบเห็นจีบอยิงทิ้งเราแล้วเนี่ย <c oughs> อ, อ้ายิงก็ยิงอย่างละวะจะไปเทศบ้านหนองดินดำบ้านนาทองคําไม่ได้ไม่ได้ผ่านไปไม่ได้ครับกลับ อ, อ้าวไปได้ไงจะไปเทศพวกในชาวมันจะไม่ทันนะไม่ได้ไม่ได้ไปนี่มันมีอันตรายนะ กลับยังไงเนี่ยเข้าไปพักบ้านเนี่ยพักก็พาเราไปสิบ้านอยู่ที่ไหนล่ะมันไม่ผู้อยากํารวจพาไปไปส่งให้ไปพักที่วัดต่อกลับมาไม่ล้มทับกติหลังตาอยู่ไม่ทนนั่นมันไม่น่าจะล้มมานะมันก็หลวก็ปกกติมันก็ให้เห็นว่ามันต้องล้มไปทางโ น, น้น กับมาที่ไหนมันร่มกว่ามาทำก็เดแหบบลกไปลเลยก็ยิ้มไม่ชะลดใจอนะถ้าเรานอนอยู่ก็ทับพอดีไม่ไม่เคยกลัวนะสี่สิบห้าสี่ปีนะ่ะสู้เสือทุกท่าไปโดือรทก็เอาเถอะพวกเราอย่ารอเลยดีราร อ, อ, อไม่ตายแน่นอนไม่ตายนั่งหขาขงขาดโตตั้งเอยอังขาโนะตเนาะไปกลัวอะไร ยังคิดเฉยก็กัวแล้วมันม่องน้องก็อ้าปากาเห่าโดดลอยโอนเดคิดเลยก็หวนไหวไปเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จิตของเราบันทีก็ถ้ามีสริเอ้ยดีดี็ด้าหลงเอ้ยไม่ดีดีไม่ดีผิ ด, ด, ดถูกรู้หลง ได้ไม่ได้ปัจจิตเงี้ยอยู่เนะี่ยรู้รู้รู้เนะ่สติจริงนะรูไม่ใช่ผิดก็ผิดไปทางไห น, นไม่ชอบถูกก็เออดีดีไม่ใช่รู้เนี่ยรู้เนะยนะมั่นคงนะไม่หวั่นไหวในความผิดความถูกไม่หวั่นไหวในความสุขความทุกข์ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ มีสัมชจมีสติเนี่ยพระเจ้าสอนอยางนี้แล้วขามาความพอใจออกมาเนี่ความไม่พอใจออกมานี่ยได้ถอนความพอใจออกมาเนี่ได้ถอนความไม่พอใจออกมาตันนี้นี่จริงจริยว่าปฏิบัติก็เอาความพอใจเอาความไม่พอใ จ, จู่ไม่ใช่นักปฏิบัติเลยยังเป็นอนุบาล ถ้าถอนมันรู้สึกมันหลงก็รู้สึกมันรู้ก็รู้สึกมันผิดก็รู้สึกมันสุข ก, ก็รู้สึกมันทุกข์ก็รู้สึกสุขทุกข์ไม่ทำให้เราวันไบเนี่ยมันจึงจะเชื่อมแข็งปักลงไปปักลงไปปักลงไปการปฏิบัติธรรมมันจะแน่นตรงนี้แล้ว ถ้าเราไม่แก้ตรงนี้มันไม่มีโอกาสแน่เลยเสาหลักปากชี้คนก็จะไหวมันเป็นเขือ่อนการอยู่อย่างนี้คืออะไรสมาธิสัมมาสมาธิเป็นออกจากทุกสั์ลกสุดตรมีสมาธิไม่ใช่ไปนั่งหลับตางั้นหลงรู้วันทุกลู้วันสุกลู้ไงสัมมาธิ ไม่ใช่หลับตาหลับไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่สมาทิที่คำจัดกิเลสมันหลงรู้มันรู้รู้หันโศกรู้หันทุกรู้ถ้าหลงเป็นหลงไม่ใช่สมาธิไม่ถึงมรรคประเดี๋ยว่าถ้าหลงรู้รู้ก็รู้อะไรก็รู้อะไรก็รู้ตรงนี้แน่นอนปฏิบัติธรรม เป็นทักัม บ, บาสติเป็นทักสะม่อสมาธิมีไหมมันหลงมีไห ม, มลูกมีไหมชอบของมลู่หรือชอบของหลงเวลามันหลงอ่ะวันนี้ไม่ไหวเลยหนูแย่เลยเป็นผู้แย่ในความลหลงเหรอง่วงก็ง่วงเครียดก็เครียด เป็นผู้เครียดในความหลงเป็นผู้เครียดในความ ง, ง่วงไม่ดีเลยความ ง, ง่วให้มันเป็นเรื่องดีไม่ได้เลยเออดีหัวโลมันเอา ง, ง่วงดีแล้วจะได้ไม่ ง, ง่วงจะได้ชั่วมันเห็นงูจึงพ้นจากงูอันโยคอใส่ถ้าไม่เห็นก็ไปชนกันมันก็กัดออกเห็นงูจึงพ้นจา ก, ง, ง, ก, จากงูเห็นหลงพ้นจากหลงเห็นลูพกพ้นจากลูกเห็น สุขพ้นจากก็เทุกข์พ้นจา ก, จ ก, จกทุกข์มันดีแล้วเห็นน่ะไม่ต้องไปชอบคนหนามันที่ไหนมันออกมาออกมาให้เห็นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปก า, ายก็จะผ่านกายมันโชโชเรื่องอะไรตั้งกายมีตัวมีตนเกิดจากกายเจ้าเจ้า หลงที่กายแย่ๆสักว่ากายก็จถอะสักว่าเวทนาสักว่าจิตสักว่าธรรมสักว่าปไปเลสักว่ามันคยอไรคือรูนะรูนะรูนะสักแนตะ่ว่าทะรูรูหรือมันไม่ใช่เป็นการพูดเป็นการกระทาของเราจะให้น่นชาเกินไปส่วนด่ว น, วนช่องหน้อย ฟรีเวจะมีไฟเขียวไฟแดงอยาหาเวลาไม่ต้องหาเวลายินดีมากๆผู้ใดปลาลูกความเพียรต้องทำให้สนุกสนานไม่ใช่ควาเครียดไม่ใช่อยากลูก้ทำเฉยๆรู้ซื่อซ่ตัวซื่อซลู่้ซื่อซ่ อะไรเออนี่ดีอันนี้ผิดอันนี้ถูกอย่าไปสนใจรู้ซื่อชื่อไปก่อนรู้ซื่อชื่อไปก่อนให้มันซื่อชื่อไปก่อนอย่าให้เมค่าไย่ให้ความหลงเมค่าไย่ให้ความรู้เมค่าไห้ความสุขเมค่าไห้ความทุกข์เมค่าอาศัยกรรมฐานเป็นที่ตั้งการกระทาเป็นที่ตั้งตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้